วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคารแสดงว่าปี2560นี้ ได้ผ่านไปแล้วครึ่งปีเหลืออีกครึ่งปีก็จะหมดเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเคลื่อนไหวของเวลาที่ไม่มีวันหยุดเวลานี้จะเคลื่อนไปเรื่อยๆการเคลื่อนไปของเวลาก็เป็นการ เป็นการผ่านไปของชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราก็จะมีเวลาเหลือน้อยลงไปตามลำดับเดี๋ยวชีวิตของเราก็ต้องมาวันสุดท้ายวันที่ร่างกายของเรา จะหยุดทำงานกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เพราะการกระทำของเรามันจะบ่งชี้ถึงอนาคตของเรา ว่าเราจะไปที่ไหนกันการกระทําของเราเนีเป็นเหมือนกับการเดินทางเวลาเราเดินทางเราก็ต้องดูเส้นทางดูป้ายบอกทางว่าเรากำลังไปในทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่ ถ้าเราไม่คอยดูทางดูป้ายเดินทางไปเราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันพระพุทธเจ้า hmm. จึงบอกให้เราคอยดูป้ายบอกทางว่าเรา กำลังเดินไปในทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่ทางที่พวกเราต้องการจะไปก็คือความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการที่เราจะไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่การหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็ต้องไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราไปกันเป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปและได้ทรงไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันคือการสิ้นสุดของความทุกข์ การได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดการจะไปทางนี้ได้เราก็ต้องปฏิบัติหรือกระทำตาม ท, าที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำทานให้เรารักษาศีลให้เรา นั่งสมาธิทาใจให้สงบและให้เราฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา <c oughs> อันนี่คือทางที่จะพาให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ <c oughs> เราเลยต้องคอยถามตัวเราเองว่าเรากำลัง ไปในทางนี้หรือไม่วันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังทําทางอยู่หรือเปล่ากําลังรักษาศีลอยู่หรือเปล่ากําลังนั่งสมาธิกันอยู่หรือเปล่ากําลังฟังเทศฟังธรรมกําลังพิ จ, จารณาสภาวธรรมทั้งหลาย ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราหรือเปล่านี่คืองานที่เราควรจะทำกันถ้าเราไม่ได้ทำเราจะได้ดึงใจเราให้กลับมาทำกันเสียถ้าเรากำลังหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกาย แสดงว่าเรากําลังไปผิดทางเราต้องกลับรถหันรถกลับกลับมาทางที่ถูกกลับมาทาบุญทาทานแทนแทนที่จะไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อของต่างๆตามความอยากเราก็เอาเงินมาทําทานกัน แทนที่จะไปทำบาปเราก็มารักษาศีลกันแทนที่เราจะไปหาเงินหาทองหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มานั่งสมาธิกันเพราะการนั่งสมาธิจะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริง การไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะเป็นการไปหาความทุกข์เพราะความสุขที่ได้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขไม่ถาวรเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปเวลาความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกิจลดหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่และการไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายก็จะทำให้ใจเราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ได้มาเกิดเราก็จะไม่สามารถมาหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าเรามีความอยากหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสผลถภาเราก็จะต้องกลับมามีตาหูจมูกลิ้นกายมีร่างกายเพื่อที่เราจะได้มาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าเรากลับมาเกิด เราก็ต้องมาพบกับความทุกข์ของร่างกายพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพบกับการพัดภาคจากคนที่เรารักกับสิ่งที่เรารักถ้าเราคอยถามใจคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆคอยตรวจตาดูอยู่เรื่อยๆ เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปในทางที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องคอยดูป้ายบอกทางว่าเรากำลังไปถูกทางหรือไม่ถ้าเราไม่ดูป้ายบอกทางเราก็จะไม่รู้ว่าเรากาลังไปในทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่ทางที่พวกเราต้องการจะไปก็คือ ทางที่จะไม่กลับมาเกิดใหม่ไม่กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่ก็ต้องไม่ไปหาลาบยศสารเสริญไม่ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเราต้องไปอีกทางหนึ่งทางที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาหา นาบลดสรรเสริญหารลปกเสียงกลิน่นลดพลตภาถ้าเราได้ทำทานอยู่เรื่อยๆได้รักษาเสียงอยู่ตลอดเวลาได้นั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆได้ฟังเทศฟังธรรมได้เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าการมา หาลาบยศสารเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสผดผ้าเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเป็นการหาการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นการออกจากการเกิดแก่เจ็บตายออกจากการเวียนว่ายตายเกิด น, น, นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราถามตัวเองอยู่เรื่อยๆ ทุกวันที่วันหนึ่งผ่านไปนี่น่าควรจะถามตัวเองควรจะตั้งเป็นคำถามถามตัวเองว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเรายังหาลาบยศเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะอิเราก็ควรที่จะยุติกันควรที่จะ ถอนตัวเราออกจากการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกันแล้วให้เรามาหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบกันเพราะเป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายต่อไป เราก็ต้องทำทานถ้าเราจะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเิ้นกายเราก็เอามาทำทานแทนจะได้ความสุขแท้ถ้าเอาเงินไปซื้อรูกเสียงเก็บรถมาเสพมันก็จะได้ความสุขปลอมได้ความสุขเดียวแถ้าเดียเด๋ยวก็จะจางหายไปแล้วความทุกข์ ก็จะเข้ามาแทนที่ต่อไปถ้าเราไม่มีเงินที่จะเอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องทำทานทานนี้มีไว้สำหรับป้องกันการใช้เงินที่จะพาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อ ความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเรามีเงินไว้สำหรับใช้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่อไว้ใช้สนับสนุนในการมาปฏิบัติธรรมก็เราก็ไม่ต้องเอาเงินนี้ไปทําบุญทาทานการทำทานนี้เป็นการสกัดกั้น การใช้เงินที่จะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแกม่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเราไม่ได้ใช้เงินไปเพื่อเพื่อประโยชน์ทางนี้เราก็ไม่ต้องทำทานไม่ต้องทำบุญถ้าเราไม่มีเงินทำทานทำบุญเราก็มารักษาศีลกัน มาภาวนากันมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบมาสร้างความสุขทางใจกันที่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันจะเป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบเราก็จะสามารถทำใจให้สงบไปได้เรื่อยๆ เราก็จะสามารถได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบไปได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแล้วถ้าเรามีปัญญาหรือเราได้เจริญปัญญาเห็นโทษของความอยากต่างๆเห็นว่าการทำตามความอยากต่างๆนันจะพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาไปสู่ความสุข เพราะสิ่งต่างๆที่เราได้จากการทำตามความอยากมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเราก็จะหยุดความอยากต่างๆเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิใจเราอาจจะคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ หรืออยากไปดูหรือไปฟังหรือไปริ่มรถ ด, ดมกิน่นกับลูกเสียงกิ่นรถต่างๆเราก็จะได้ใช้ปัญญามาระงับมาสอนใจว่าถ้าทำแล้วก็จะต้องทำไปเรื่อยๆทำแล้วมันจะติด ติดแล้วก็จะทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าเราฝืนไม่ทําตามความอยากออไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปแล้วมันก็จะไม่มีความอยากมาดึงให้เราไปทําตามความอยากต่างๆแล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรทำสิ่งที่เราควรตรวจตาดูอยู่ว่าตอนนี้เราทเราไปในทางของการทำทานของการรักษาศีลของการนั่งสมาธิของการเจริญปัญญาหรือเปล่า หรือเรายัางไปในทางของการหาลาบยศสารเสริญหาลูกเสียงกิ่นลดพลภะต่างๆถ้าเรายัางไปทางนี้อยู่เราก็ต้องพยายามกลับตัวเองหันหนังให้กับทางนี้อย่าไปทางนี้เพราะเป็นทางไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการเวียนว่ายตายเกิดที่เราได้กระทำกันมาอยู่อย่างโชคชนได้กระทำกันมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะยุติการไปในทางนี้กันเพราะมันจะนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความเศรา้าโศกเสียใจเท่านั้นมันไม่มีอะไรดีเลย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 ไมได้พบกับพระอริยสงสาวกนี่เราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเรากําลังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นะจะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดด้วยจะมีการสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคาสอนซึ่งเป็นเหมือนกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าอ พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าถ้าได้พบกับพระพุทธพระธรรมคำสอนก็เท่ากับได้พบกับพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนยธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายไปพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ถ้าได้พบกับพระธรรมคำสอนก็ได้ก็ถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่าตอนนี้เราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงาม น, นี้ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะจะเป็นเหมือนกับการเสียชาติเกิด เกิดมาแล้วได้พบเพชรน้ำหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถคว้าเอามาเป็นสมบัติของตนได้ยานได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เหมือนกับได้พบพระนิพพานได้พบความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง ถ้าสมมติว่าถ้าชาตินี้เรามาเกิดแล้วไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมาพบกับพระพุทธศาสนาชาตินี้เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถตัดตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ตายไปกลับมาเกิดใหม่ ก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาอีกแล้วก็ได้หรือถ้าจะมีก็อีกอาจจะเป็นเวลาอีกยาวนานเพราะว่านานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดจรู้และมาประกาศพระธรรมคาสอนสักครั้งหนึ่งมาสร้างพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสักครั้งหนึ่ง แล้พระพุทธศาสนาของแต่ละพระองค์นี้ก็มีอายุไขไม่ได้จะอยู่คู่กับโลกไปตลอดอย่างพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้พระองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันหลังจากนั้นแล้วพระพุทธศาสนาก็จะหายไปจากโลกนี้ถ้าเรามาเกิด หลังจากห0 0พันปีนี้แล้วเราก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกเป็นเวลาอันยาวนานเป็นเวลาหลายล้านล้านปีด้วยกันกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งและในช่วงนั้นเราก็จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันทำบุญทำบาปกันตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปกัน ในนรกในสวรรค์กันเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันมาทุกข์กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาทุกข์กับการหาสิ่งต่างๆตามความอยากต่างๆแล้วก็มาทุกข์กับความสูญเสียพบกับความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพาดจากกันเวลาที่แกเวลาที่เจ็บเวลาที่ตายไป แล้วก็จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปใช้ผลบุญผลบาปต่อแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้ยินได้ฟังคาสอนแบบเดียวกันแบบที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้สอนเหมือนกันสอนให้พวกเราทำบุญทําทานสอนให้เรารักษาสีสอนให้ภาวนาสอนให้นั่งสมาธิสอนให้เจริญปัญญากันเพราะนี่คือวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองวิธีที่จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย วิธีที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรคือความสุขของฟานิพานอยู่ที่การบำเพ็ญทานศีลสมาธิปัญญานี้ง่ายๆสี่ข้อนี้เองทานศีลสมาธิปัญญาไม่เห็นมันจะยากเย็นต่อการท่องจำเลย ทำทานถ้าเราจะเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยากไปซื้อมันเหมือนซื้อยาเสพติดซื้อแล้วก็ติดและเวลาไม่ได้ซื้อก็จะทุกข์เอาเงินที่จะไปซื้อยาเสพติดนี้มาซื้ออาหารให้แก่ใจด้วยการทําบุญทำทานการทำบุญ ท, ท า, า ท, ญ ท, ทานนี้เป็นการซื้ออาหารให้แก่ใจของเรา จะทำให้ใจเราไม่หิวกับการใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมกูกนิ้วกายกันถ้าเราทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆใจเราจะไม่หิวกับการไปเที่ยวไม่หิวกับการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดได้เราจะรักษาศีลได้เราจะนั่งสมาธิได้ เราจะฟังเทศฟังธรรมเราจะเจริญปัญญาได้เนี่ยนี่คือความสาคัญของการทำทานถ้าเราไม่ทำทานเอาเงินไปเที่ยวเราก็จะติดกับการใช้เงินไปเที่ยวกันพอเงินเที่ยวหมดก็ต้องไปหางานหาเงินกันอีกหาเงินแล้วก็มาเที่ยวกันอีกมาซื้อของต่างๆตามความอยากกันอีก เราก็จะอยู่บ้านไม่ได้อยู่วัดไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้รักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้มนความสำคัญของการทำทานทำบุญเพื่อให้เราได้อาหารให้ใจได้อาหารให้ใจมีความอิ่มความสุข ความพอที่จะทำให้อยู่บ้านเฉยๆได้อยู่บ้านรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้หรือไปอยู่วัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมได้เพราะเราจะไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปช็อปปิ้งไม่ต้องไปดูภาพยนตร์ไม่ต้องไปงานเลี้ยงต่างๆเพราะใจเราไม่หิวกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะใจเรามีบุญ ที่เกิดจากการทำบุญทำทานหล่อเลี้ยงจิตใจเว่าจะทำให้เรามีเวลาอยู่บ้านหรืออยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรม เ, เพื่อรักษาศีล เ, เพื่อนั่งสมาธิเพื่อจเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมหรือพิจารณารมต่างๆ ให้เห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังอนัตตานี้ไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นอนัตต า, าก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปเราก็อยากจะให้เขาไม่จากเราไป เราก็เลยต้องทุกกับของที่จากไปเพราะเราไม่รู้ด้วยปัญญาไม่เห็นด้วยปัญญาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะต้องมีวันจากเราไปแต่เราไม่ยอมให้จากไปพอไม่ยอมก็เลยทุกข์ถ้ายอมก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่อยากได้อะไร กเรว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากไปจากไปก็ทุกข์สู้ไม่เอาดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบอยู่จากอยู่กับการนั่งสมาธิอยู่กับการเจริญสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญเพอใจจะสงบเป็นสมาธิได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสติถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่สงบเพราะจะไม่ไม่สามารถหยุดความคิดได้นั่นเองจึงจำเป็นจะต้องฝึกสติก่อนต้องเจริญสติก่อนด้วยการดำลึกถึงอะไรสักอย่างหนึง่งเช่นพุทโธพุทโธ หรือลมหายใจเข้าออกหรืออะไรก็ได้มีอยู่สี่สิบอย่างที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบให้เราระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งใจมัดใจเอาไว้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เราต้องฝึกกันถ้าเราอยากจะทำใจให้สงบ ให้มีความสุขเพื่อที่เราจะได้เลือกหาความสุขจากราบยศสรรเสริญเลือกหาความสุขจากรเสียงกิน่นรสปทพะกันเราจึงต้องอยู่เฉยๆให้ได้อยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้แล้วก็ไม่ทํากิจกรรมทางตาหูจมูกเล้นกายาถือศสียงปากกัน เพื่อจะได้มีเวลามาฝึกสติมาเดินจงกรมแล้วก็มานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนะหลังจากใจสงบแล้วถ้ายังไม่ออกจากสมาธิก็ไม่ต้องทำอะไรเวลาใจสงบไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมาเจริญปัญญาเวลาจะเจริญปัญญานี้ต้องรอให้ใจออกจากสมาธิก่อน พอใจถอนออกจากสมาธิออกมารับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสออกมารับรู้กับความคิดปรุงแต่งก็เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาพิจารณาตายักกันพิจารณาราบยศสารเสรียงว่าเป็นตายักไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญมีเสื่อมไม่ใช่ของเรา เราสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเจริญก็จเจริญเขาจะเสื่อมก็เสื่อมถ้าเราไปอยากให้เขาไม่เสื่อมเราก็จะทุกข์ถ้าเราอยากจะให้เขาเจริญแต่เขาไม่เจริญเราก็จะทุกข์ให้พิจารณาเห็นความทุกข์ในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแล้วจะทำให้เรา ไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันจะทําให้เราอยากได้ความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิการเจริญสติกันเราก็จะกลับมาเจริญสติแทนที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็ดึงใจให้กลับมาเจริญสติ มาหยุดความอยากกันมาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือมานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรามันก็จะหมดไปพอ ม, มันหมดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจจะไม่มีอะไรมารบกวนใจ ใจก็จะสงบไปตลอดเหมือนน้ำที่นิ่งแล้วไม่มีใครไปกวนน้ำไม่มีใครไปกระโดดลงไปในน้ำถ้าน้ำในสระนี้ปล่อยไว้เฉยๆมันจะนิ่งถ้ากระโดดลงไปเล่นน้ำกันไปไว่ายน้ากันไปอาบน้ำกันน้ำมันก็จะกระเพื่อมมันก็จะไม่นิ่งอันใดความอยากนี้ก็เป็นเหมือน ตัวที่ไปทำให้ใจกระเพื่อนใจไม่สงบพอใจกระเพื่อมใจก็จะทุกข์ใจก็จะวุ่นวายขึ้นม า, ท, าทันทีแต่ถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆได้หมดด้วยปัญญาใจของเราก็จะสงบไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะกระเพื่อมอีกต่อไปใจเราก็จะมีความสุขตลอดเวลา แล้วความสุขนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดพภาเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ที่เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็เพราะว่าเรายังอยากได้ลาบยศสรรเสริญ อยากได้รูปเสียงกลิ่นสผลท พ, พะกันพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะความอยากนี้อยู่ในใจที่ไม่ได้ตายกับไปกับร่างกายความอยากนี้ก็จะดึงใจให้มามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วเพื่อเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปหาราบยศสารเสริญ ไปหาลูกเสียงกลิ่นรสผลพะใหม่อี ก, อกรอบหนึ่งเราก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายต้องมาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบที่เราหามาด้วยความอยากเพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญ สูญเสียรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะไปพอถึงเวลาที่ต้องสูญเสียเราก็ต้องมาทุกข์กันแล้วเราก็ต้องมาสูญเสียร่างกายสูญเสียความหนุ่มความสาวสูญเสียสุขภาพที่ดีสูญเสียชีวิตเพราะร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย และก็จะต้องตายไปในที่สุดนี่คือทางสองทางที่เราสามารถเลือกได้แล้วในพบนี้ชาตินี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครมาบอกทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับเราคือทางทางของการทำทางรักษาศีล น, นั่งสมาธิเจริญปัญญา ทางนี้จะมีเฉพาะเวลาที่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏอยู่ในโลกนี้เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีทางนี้กันก็จะต้องไปทำหาความสุขจากลาบยจศจัลรสานจากรูปเสียงกลิ่นรสผทถภากันแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันไปอยู่เรื่อยๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือจุดที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้เรากำลังยืนอยู่ในที่ที่มีป้ายบอกทางเรามาถึงทางแยกแล้วมีป้ายบอกทางให้เราเลือกทางกันว่า ทางนี้จะพาเราไปไหนทางนี้ทางนั้นจะพาเราไปไหนถ้าเราเลือกทางของการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็จะไปในทางของการเวียนว่ายตายเกิดทกต่างๆเพราะในการหาลาภยศสรรเสริญหารูกเสียงกลิ่นรสนี้ เราก็มักจะทําบาปกันเพราะมันเป็นวิธีที่หาง่ายกว่าการไม่ทําบาสนั่นเองการหาราบยศสรรเสริญหาลู่เสียงกลิ่นลดโดยวิธีไม่ทําบาสนี่มันยากคนเราจึงไม่ค่อยนิยมหากันนิยมหาวิธีที่มันง่ายคือวิธีทําบาปฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์บ้า ง, รางประพฤติผิดประเวณีบ้างอ โกหกหลอกลวงบ้างดืมสุราย า, มาเมาบ้างอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีที่ไม่ทำบาตรแล้วเรื่องการทำบุญนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ยากนอกจกไม่มีคนเชิญคนชวนถึงจะทำกันหรือมีวันสำคัญต่างๆ เป็นวันเกิดวันปีขึ้นปีใหม่วันสำคัญของทางศาสนาก็คิดทำบุญกันสักครั้งหนึ่งบุญจะพาให้เราไปเกิดในที่ดีบาปก็จะทำให้เราไปเกิดในที่ไม่ดีไม่ว่าจะดีไม่ดีเมื่อใช้บุญใช้บาปหมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เพื่อมาหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิรนลดโพธิภพใหม่ถ้าจะไม่อยากจะกลับมาเกิดมหารูปเสียงกิรนลดมหาลาบยศสรรเสริญก็ต้องหาความสุขทางใจให้เจอหาความสุขที่เกิดจากความสงบให้เจอหาความสุขที่เกิดจากการทำทานจากการรักษาสี่งจากการนั่งสมาธิให้เจอ แล้วก็หาปัญญาที่จะมาสอนใจให้ยุติการหาความสุขทางราบยศเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสปทภากันถึงแม้ว่าถ้าเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเวลาใจออกจากความสงบนี้ความสุขก็จะหายไปถ้าเราเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะหาความสุขทางราบยศเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรส ที่ยังไม่ได้ตายไปด้วยกําลังของความสงบของสมาธิความอยากจะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะตายไปได้ก็ต้องตายด้วยอํานาจของปัญญาปัญญาที่จะเห็นว่าการหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑ์นี้เป็นการหาความทุกข์เพราะความสุขที่ มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้อยู่กับเราอย่างท้าวนเราไม่สามารถสั่งให้มันอยู่กับเราได้ถึงเวลามันจะจากเรามันก็จากไปโดยที่ไม่มีอะไรจะมายับยั้งมันได้ถ้าเราเห็นว่าราบยศสระเสริญรูกเสียงกลิ่นรถเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นอนัตตาเราก็จะทุกข์เพราะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้มันจะต้องเป็นอนิจจังมันจะต้องเป็นอนัตตาเราก็หยุดความอยากดีกว่าอย่าไปมีลาบยุทธสเสริญอย่าไปมีรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐพะนี่กว่ามาอยู่กับความสงบดีกว่า ความสงบที่เราใช้สติกำกับควบคุมใจให้หยุดความอยากต่างๆด้วยการหยุดความคิดเนี่ยพอเราไม่คิดความอยากมันก็ดับไปพอคิดความอยากมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าคิดไปในทางที่ที่ทางปัญญามันก็จะไม่เกิดถ้าคิดว่าความอยากเป็นทุกข์สิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ก็จะไม่เกิด นี่คือทางที่เราควรจะไปกันทางที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงแล้วได้เห็นแล้วว่าเป็นทางที่ประเสริฐเพราะเป็นทางที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการพัดพาจากกันพระพุทธเจ้าก็เลยส่งพระเมตตามาสอนพวกเรา ท่านทรงสอนสัตว์โลกอยู่ถึง45ปีด้วยกันก่อนที่ท่านจะละสังขารแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปท่านใช้เวลา45ปีนี้สั่งสอนสัตว์โลกอย่างพวกเราให้มองเห็นคุณค่าของการทาทานของการรักษาศีลของการนั่งสมาธิของการเจริญปัญญาของการเจริญสติ ให้พวกเราขยันทำกันให้มากๆความขยันนี่แหละที่จะทำให้พวกเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเรามีความขยันเราจะทำบุญได้เราจะรักษาศีลได้เราจะเจริญสติได้เราจะนั่งสมาธิได้เราจะเจริญปัญญาได้ถ้าเราขี้เกียจนี่เราก็จะทำไม่ได้ ดังนั้นสัตรูของเราที่แท้จริงก็คือความขี้เกียดนี่เองเราจรึงอยากส่งเสริมความขี้เกียจควรค่าความขี้เกียจด้วยการด้วยด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าอยู่เฉยๆอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทำทานหรืรักษาศีลหรือเจริญสติหรือนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาควรจะใช้ทุกเวลานาที ของชีวิตเราในขณะที่เราตื่ น, นให้เอามาใช้กับการทําทานหรือรักษาศีลหรือจเจริญสติหรือนั่งสมาธิหรือจเจริญปัญญากันแล้วรับรองได้ว่าความเกลียดค้านจะไม่มีพอตื่นขึ้นมาก็จเจริญสติเลยพุโทโธพุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่ากําลังจะไปทำอะไร หรือกำลังทาอะไรก็ให้ฟรีพุทธโธกํากลับใจไปเรื่อยพอไม่ต้องทาอะไรก็มานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุทธโธต่อเนี๋ยวใจก็จะสงบใจก็เข้าสู่ข้เข้าสู่สมาธิแล้วใจก็จะมีความสุขทำให้ไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาลูกเสียงกิ่นรสแต่ถ้าออกจากสมาธิมาเนาะ เกิดยังมีความอยากจะไปหาลาบยศเสริญหารูปเสียงกิ่นโนดอยู่ก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าห้ามทำห้ามโดยเด็ดขาดทำแล้วจะต้องไปเจอแต่ความทุกข์ไม่ใช่เจอความสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขหมดไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีถ้ามีปัญญาคอยสอนคอยสกัดใจอยู่เรื่อย มันก็จะไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากก็จะหมดกาลังไปในที่สุดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปหลงไปอยากได้สิ่งต่างๆใจก็จะสงบตลอดเวลาใจก็ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วอยู่เฉยๆก็มีความสุขมีความสุขมากกว่าได้เงินหมื่นล้านแสนล้านมีความสุขมากกว่าได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ เป็นพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถไปเป็นพระมหาจากักรพรรดิก็ได้หรือสามารถมาเป็นศาสดาก็ได้เพราะองค์ทรงเรื่อง ก, การมาเป็นศาสดาพออยู่เฉยๆก็มีความสุขกว่าการเป็นมหาจากักรพรรดิการจะเป็นมหาจากักรพรรดินี้ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทำสงคารามต้องฆ่าฟันผู้อื่นเป็นจำนวนมาก ถึงจะได้เป็นมหาจากักระพัดความสุขที่ได้จากมหาจากักระพัดก็เดียวเดียวเหดียวความทุกข์ที่ไปสร้างให้แก่ผู้อื่นมันก็จะกลับมาหาดังนั้นท่านก็เลยเลือกการไปเป็นศาสดาการไปหาความสงบเป็นความสุขแทนดีกว่าการไปหามหาจากักระพัด เพราะนอกจากได้ความสุขแล้วก็มีความทุกข์ตามมาด้วยนั่นเองนี่คือเรื่องของเวลาที่ของพวกเรามีมีอยู่ในขณะนี้ mm. เวลาของพวกเราแต่ละคนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีเหลือมากหรือน้อย mm. เพราะไม่มีใครสามารถทำนาย ช, ชะตาชีวิตของตนได้ว่าจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่ บางคนอาจจะอยู่ถึงร้อยปีบางคนก็เก้าสิบปีบางคนก็แปดสิบปีบางคนก็เจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบเนี่ยสามสิบยี่สิบมีทุกอายุคนนี้คนค น, คนที่ตายนี้มีทุกอายุอายุหนึ่งวันตายก็มีเจ็ดวันตายก็มีหนึ่งเดือนตายก็มีเราไม่รู้ว่าจะไปอยู่ใน อายุไหนกันจะตายในอายุไหนกันเราก็เลยอย่าประมาทกันอย่าปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้เหลุดมือไปเพราะเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะดึงใจเราให้ออกจากการเรียนว่าตายเกิดได้ถ้าเป็นพบที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ต่อให้มีอายุยืนยาวนานเป็นพันปีก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร กาเราจะไม่รู้จักวิธีที่จะดึงใจของเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ชาตินี้สำคัญมากเพราะว่าเป็นชาติที่เรารู้จักวิธีที่จะดึงใจของเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เรารู้ว่าการจะออกจากเวียนว่ายตายเกิดก็คือการทำทานการรักษาสิ่การเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญา เมื่อเรารู้แล้วแล้วเราไม่ทํามันก็รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อรู้แล้วเราต้องรีบทํากันเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะหมดกันไปเมื่อไหร่นั่นเองเราจึงควรที่จะรีบมาทําบุญทําทานมารักษาศิ่มานั่งสมาธิมาเจริญสติมาเจริญปัญญากันดีกว่าการที่เรา ไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิ่นลดผลทพะกันเพราะมันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองแต่ถ้าเราไปในทางศีลทานศีลภาวนาเราจะไปแบบไม่ต้องกลับมาอีกต่อไปเราจึงต้องคอยเตือนต้องคอยถามตัวเราอยู่เรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไป เรากําลังทําอะไรกันอยู่เรากําลังเดินเวียนไหวอยู่ในวัตฏะแห่งการเวียนไหวตายเกิดหรือเรากําลังจะออกจากการเวียนไหวตายเกิดเนี่ถ้าเราทําบุญทําทานนักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาก็แสดงว่าเรากําลังเดินออกจากการเวียนไหวตายเกิดเดินออกจากกองทุกข์ ถ้าเราไปหาราบยศรสรรเสริญไปหารูปเสาาียงกลิ่นรสปุถะก็แสดงว่าเรากำลังเดินเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีใครที่จะเป็นคนเดินให้เราได้ไม่มีใครจะเป็นคนที่จะตัดสินให้กับเราได้นอกจากตัวเราเองถ้าเรามีธรรมเราก็จะรู้ว่าทางไหนจะดีกว่าถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เราก็จะรู้ว่าการไปในทางที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ไปนี้เป็นทางที่ดีกว่าเพราะเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองเราก็ต้องเลือกไปทางนี้กันเราจึงคอยต้องคอยสังเกตดูทุกวันทุกเวลาว่าตอนนี้เรากําลังไปในทางไหนเพราะถ้าเราไม่คอยดูเดี๋ยวมันทะเลาไห ล, ไหลกลับไปในทางเก่าได้เพราะทางเก่านี้มันมีสเสน่ห์มันมีรส ที่คอยหลอกล่อเราอยู่ได้ตลอดเวลาเราจึงต้องคอยสอดดูอยู่เรื่อยๆว่าเรากําลังไปในทางที่ถูกหรือไม่ด้วยการถามตัวเราเองอยู่อยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลา ว, ว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากำกำลังไปหาลาภยุศสารเสริญหาลูกเสียงกิน่นรสหรือหา ทานหาศีลหาสมาธิหาปัญญากันถ้าเราหาทานหาศีลหาสมาธิหาปัญญา ก, ก็แสดงว่าเราไปถูกทางกันเราก็ต้องไปในทางนี้ทางเดียวเท่านั้นอย่าไปทางอื่นแล้วรับรองได้ว่าไม่นานเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันเอวุฒิเจ้าทรง รับประกันแล้วว่าถ้าไปไปทางนี้เจ็ดวันก็สามารถหลุดพ้นได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็อย่างมากก็แค่เจ็ดปีจะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุถึงพานิพานได้อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทําของเราไม่มีใครทําให้เราได้ เราต้องทำเองเราต้องเดินไปในทางนี้เองการที่เราจะเดินไปในทางนี้ได้เราก็ต้องคอยสอดส่องดูแลอยู่ทุกเวลานาทีคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังไปในทางของการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาอยู่หรือไม่ถ้าคอยถามถ้ามันไม่ไปเราจะได้ดึงมันกลับมาให้ไปในทางนี้นั่นเอง แล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวารรวาหาปุราพาริปุเรนณติสาคัง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 จันโทปนะาราโสยะามณิโชติหระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสสัตุมัเต์ภวตวันตาายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสะนิจจังวุธาปะจายโน จตารธรมมวทานติอายุวโนสุขังภาลั ง, ง, งเป็นยังไงวันท<ม>ี<ม>่สามจะไปสืส<ม>ิ<ม>่กับยังพัทยาเขาจับเที่น้องเขาดี ส่น้แื้อถือซื้อที่ไหนก็ได้ไขายของก็ถือได้ไชวนไปก็เยไปไปหนขายของก็ขายของก็อย่าไปโกหก โกหกลูกค้าก็ถือศีลแล้วเนี่ยไม่โ ก, กอยู่บักอร่อยหก็บอกว่าอร่อยมันนี่มันนี่่ตรงนี้แหละที่ทโกหกเนี่ากินอนอมาอร่อยแล้โกหกเต็มที่กินอร่อยก็ๆๆบอกว่าเสร็จแล้วแต่คุณเน่อร่อยไม่อร่อ ย, <c oughs> ยฉันว่าฉันอร่อยแต่คุณอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แหล <c oughs> <c oughs> ะมีคาถามวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะ facebook วันนี้เฟซบุ o กตอนอาจารย์เท เข้ามาที่370คนครับ YouTube เข้ามาที่66คนครับอ่าวันนี้มีต่างชาติเข้ามาปะยังไม่มียังไม่มีมมอ่าวันนี้มีพิธีกรอ่าสุภาพสตรีอ่มามีคำถามก็อ่านได้เลยถามถามได้เลยคำถามจากบล็อกจากคุณหมูนะคะข้อที่หนึ่ง ถ้ามีเวทนาทางกายใช้สติจับที่เวทนาทางกายแทนพุโทโธหรือควรพุโทโธต่อแบบไหนจะดีกว่ากันครับคือแบบไหนก็ได้ที่ทําให้ใจเราปล่อยวางเวทนาได้ส่วนใหญ่ถ้าไปเจาะ อ, อยู่จออยู่ที่เวทนามันจะทําให้เกิดความอยากให้เวทนาหายแล้วมันจะทําให้ทุกข์มากขึ้นจึงคิดว่าอยู่กับพุโทโธดีกว่า อยู่กับคำบริกรรมดีกว่าอย่าไปรับรู้เวทนาจะดีกว่าเพราะถ้าไปรับรู้แล้วจิตมันจะอยากให้หายแล้วมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธความอยากให้เวทนาหายก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มีเออั่งสู้อยู่กับคําบริกรรมดีกว่าข้อที่สองพระโสดาบันปล่อยวางเวทนาทางกายได้หมดหรือไม่ครับ ได้แต่ต้องปล่อยด้วยปัญญาไม่ใช่ปล่อยด้วยสติคือต้องเห็นว่าเวทนานี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาคือความอยากให้เวทนาหายไปต้องหยุดตัวความอยากให้เวทนาหายไปส่วนเวทนานี้ปล่อยมันไปเหมือนดูมันเหมือนเป็นดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศนี่เราทำอะไรไม่ได้เราอยู่กับมันได้ ฝนจะตกก็ปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ปล่อยมันออกไปเวทนาก็เหมือนกันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายก็ปล่อยมันหายไปอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปกลัวมันรับรองได้ถ้าเราไม่กลัวมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะจากคุณอ้อลูกมีลูกรู้สึกว่าโกรธง่แต่พอรู้สึกตัวลูกก็ดูใจตัวเอง และบอกกับตัวเองว่าอยา่าโกรธบอกตัวเองไปเรื่อยๆจนใจเยน็นและรู้สึกเบาสบายในใจแบบนี้เนี่ยว่าฝึกจิตที่รู้สึกสติในปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะรู้สึกเสียงมันเบากันในหะ้มันให้เสียงเจ็บดังหน่อยได้ไหมเนื่อว่ามันดังแค่นี้เลยแ <c oughs> ถวแถวนี้มันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะ <c oughs> สเสียงมันเบากันนะิดนึง เยอะแล้วลองอ่านใหม่สิคัำถามจากคุณอ้อช่วงนี้ลูกรู้สึกว่าโกรธง่ายแต่พอรู้สึกตัวลูกก็ดูใจตัวเองและบอกกับตัวเองว่าอย่ากโกรธบอกตัวเองไปเรืเร่อยๆจนใจเย็นและรู้สึกเบาสบายในใจครับแต่นี้เรียกว่าฝึกจิตให้รู้สติในปัจจุบันใช่ไหมคะย้อนจะปฏิบัติต่ออย่างไรคะ ก็ต้องหาวิธีทําให้ความอยากอย่าให้มันเกิดขึ้นมาความอยากของเรามันเกิดไอ้ความความโกรธของเราเกิดจากความอยากถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธขึ้นมายิ่งถ้าเราจะต้องการที่จะแก้ความโกรธให้หายอย่างเด็ดขาดหายาแบบไม่ต้องกลับมาอีกก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธก็คือก็คือความอยากต่างๆ อยากกินก๋วยเตี๋ยวพอได้เข้าผัดมาก็โกรธนะพอไม่ได้ไม่ได้ดังใจอยากต้องหัดทำใจว่ากุวยเตี๋วก็ได้เข้าผัดก็ได้สั่งกุวยเตี๋ยวมาเอา้เอาเอาส้มตำ ม, มาก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธท่านถามจากคุณจงศรีเล่อยงอาหารเพื่อนได้บุญไหมคะได้ก็เป็นการทำทานเหมือนกันเพียงแต่ว่า เพื่อนนี้อาจจะเป็นเพื่อนกินหรือเพื่อนไม่กินเพื่อนกินก็เวลาไม่มีให้มันกินมันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนเราสู่เลี้ยงพระ ด, ดีกว่าพระเป็นเพื่อนเราตลอดมีกินไม่มีกินมาหาพระได้ตลอดเวลาคำถามจากคุณหัวใจที่เมาข้อที่หนึระผมมีความกาหนัดไม่พอใจในสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ผมจะต้องทำอย่างไรเพื่อการดับทุกข์ครับ ก็ตอบไปแล้วเนี่ยความอยากของเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นไปตามความอยากเราก็โกรธขึ้นมาดันั้นพยายามทาใจเราให้สันโดษเอยินดีตามมีตามเกิดเขาจะพูดก็ได้เขาไม่พูดก็ได้เขาจะยิ้มกับเราก็ได้ไม่ยิ้มกับเราก็ได้เขาจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นรับรองได้ว่าจะไม่มีวันโกรธข้อที่สอง ผมมีความอยากทางใจทําที่ผมเป็นทุกข์ความอยากของกระผมก็คือการอยากขึ้นจากโคนตงหรือเสมอกับพื้นน้ําครับพระอาจารย์ช่วยชี้แนะกระผมด้วยครับออความอยากแบบนี้ไม่ไ ม, ไม่เป็นโทษเพราะเป็นความอยากที่จะพาให้เราพ้นทุกข์อยากได้เพียงแต่ว่าอยา่าอยากเฉยๆ อ, อ, อยากเราต้องทําถ้าอยากเฉยๆแล้วมันจะทุกข์ เพราะว่าอยากแล้วมันจะไม่ได้ผลอยากแล้วเราก็ต้องทำเหตุที่จะทำให้เราได้ผลก็คือให้เรามาทำทานมารักษาสีมาปฏิบัติธรรมกันแล้วดอไปเราก็จะได้ผลที่เราต้องการกันคำถานจากทางยูท b e จากคุณทีรวีบริกรรมแล้วจิตนิ่งไปแต่ไม่มีอาการตบหลงตบบออย่างนี้จิตรัวไหมครับ ยังไม่รวมก็ต้องบริกรรมต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดทำบริกรรมบริบริกรรมไปจนกว่ามันจะวบลงไป <c oughs> ห, รหรือถ้าไม่รวมแต่ถ้ามันนิ่งเฉยๆสบายๆ ก, ก็ก็ใช้ได้ถ้าใจมันเป็นอุบเบกขาคือไม่มีความรักชังกลัวหลงสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆก็ใช้ได้ คำถามจากคุณเนโกเวลาเราโกรธอาลงโมโหมาเต็มแต่แสดงออกมาครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งยังยับยั้งใจไว้ทันแบบนี้เขาเรียกว่ามีสติหรือเปล่าคะตอนนี้หนุมกำลังฝึกสมาธิขั้นพื้นฐานแต่จิตใจมันซึ้งมากคะ่ะส่วนบนก่อนก็แล้วแต่ก็ยังดึงสมาธิมาไม่ได้ขอรบกวนพระอาจารย์ชี้แนวทางให้ด้วยคะ่ะ ก็มีสติตาไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญามันก็จะไม่โกรธเลยแต่ถ้ามันโกรธก็สแสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาเรายังมีความอยากอยู่เรายังทําใจให้เป็นสันโดษไม่ได้ทําใจเราให้เป็นอุเบกขาไม่ได้ยินดีตามมีตามเกิดไม่ได้เรายังมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ ความโกรธก็เลยเกิดเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากก็ต้องฝึกฝึกปัญญาหัดสอนใจให้ใช้ทำตัวเราให้เป็นสันโดษอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าเอาเอาอะไรก็ได้มาอย่างไหนก็ได้ดีมาดีก็ได้มาชั่วก็ได้แยกเคี้ยวใส่เราก็ได้ยิ้มใส่เราก็ได้ ด่าเราก็ได้ชมเราก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่โกรธคำถามจากคุณสู้ไม่ถอยที่ว่าปฏิบัติเจ็ปีแล้วใจจะถึงจุดหมายได้นั้นหมายถึงผู้ที่สามารถเข้าสมาธิขั้นอุเบกขาแล้วใช่หรือไม่ครับหรือนับตั้งแต่ผู้เพิ่งมีดวงตาเห็นธรรมหรือเพิ่งเข้ามาสู่กระแสธรรมการปฏิบัติของกระผม โดยมากจะใช้ความคิดต่อสู้กับกิเลสที่มากระทบใจอธิบายหาเหตุหาผลให้ใจยอมรับบางครั้งใจก็วางได้บางครั้งใจก็หลงตามมันไปอันเนื่องด้วยสมาธิยังอ่อนสติไม่แข็งแรงพอ mm hmm. การอยู่อาศัยก็อยู่ที่หอพักกว่าจะเงียบได้ก็สีห้าทุ่มเวลานั่งสมาธิก็ได้ไม่นานเพราะต้องพักเอาแรงไปทางานตอนเช้า ตอนนี้ก็ได้แค่ใช้สติปัญญาที่มีเท่าหางอื่นสอนใจไปเรื่อยๆเท่านั้นเองครับมันก็ต้องมีเวลาเจริญสติสมาธิตลอดเวลาเนี่ยถึงจะเข้าข่ายเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถ้าทำแบบมือสมัครเล่นวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ยังไม่เข้าข่ายยังไม่เข้าเกณฑ์ยังไม่ถือเป็นมือมืออาชีพไปแข่งเชียงเหรียญไม่ได้ ถ้าอยากจะชิงเหรียญทองก็ต้องเนี่ยเป็นแบบมืออาชีพวันนึงไม่ได้ทําอะไรมีแต่ซ้อมอย่างเดียวซ้อมกีฬาที่เล่นอยู่อย่างเดียวพอถึงเวลาก็ไปแข่งได้แต่ถ้ามาเป็นมือสมัครเล่นวันธรรมดาก็ไปทํางานวันเสาร์อาทิตย์ก็มาซ้อมอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะไปแข่งแล้วได้เหรียญทองทักทักเจากคุณเบิร์ด ปุถุชนสามารถสำเร็จทำได้ในชาตินี้ทุกคนหรือไม่ถ้าตั้งใจหรือจำเป็นหรือจำเป็นต้องสะสมบารมีศีลให้เต็มถึงขั้นปรมาทั้งหมดก่อนครับก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยเน่ยก็ถึงจะบรรลุได้ถ้าไม่มีก็รีบสร้างมันขึ้นมาถ้ารีบสร้างเดี๋ยวมันก็มีเต็มขึ้นมาเองเหมือนน้าน้ําที่มีไรตุ่ม ถ้ามันไม่เต็มมันมมก็รีบตักเติมเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มถ้าไปนั่งเฝ้าดูมันเฉยๆขอให้มันเต็มมันไม่มีวันเต็มเองเัอ ย, อย่าไปวิเคราะห์มากเลยว่าจะต้องเป็นอย่างนน้นหรือเป็นอย่างนี้อขอให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ได้เต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับก็ถือว่าได้แน่ๆคำถามจากคุณไฝ่ทำการเดินจงกรมและนั่งสมาธินั้น จำเป็นต้องใช้เวลาเท่ากันหรือไม่คะ อ, อ๋อไม่จําเป็นแล้วแต่ความพอพอใจของเราเร่างกายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนนั่งนานๆดีกว่าเดินานานๆบางคนเดินานานๆดีกว่านั่งนานๆก็สุดแท้แต่ความเหมาะสมคําถา ม, ถามจากคุณนี้กลัวตัวเองจะเป็นคนนั่งสมาธิเป็นปีแล้วไม่ได้อะไรต้องทําอย่างไรกับความกลัวนี้คะ ก็อย่าไปคิดถึงมันเลยอย่าไปคิดถึงมันเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำไปได้ให้รู้ว่าเราทำแล้วก็ทำให้มันถูกวิธีจะทำให้มันถูกก็ต้องมีสติควบคุมความคิดของเราทำใจให้เราหยุดคิดให้ได้ทำใจให้เราว่างทำไปมันก็จะได้ผลเองมัวแต่ไปคิดมันก็จะกลัวไปเปล่าๆถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะคิด เพราะว่าสติจะบังคับให้เราอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวดังั้นมันฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วความกลัวต่างๆมันก็จะหายไปคำถามจากคุณพ่ที่วัดการเป็นโสดาบันนั้นจําเป็นหรือไม่ที่ต้องได้อัปปนาสมาธิในปัจจุบันนี้มันก็ต้องมีสมาธิแหละมันต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิแล้ว ก, ก็ปัญญามันถึงจะครบองค์มันทํากับข้าวอะ ทำแกงไม่มีกะทิมันจะเป็นแกงได้ไหมมันก็ต้องมีกะทิมันต้องต้องมีให้มันครบสูตรการที่จะบรรลุธรรมก็ต้องมีให้มันครบสูตรก็ต้องมีทั้งศีลต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาคําถามจากทางยูทูบจากคุณปัญญาขนาดสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิใจชอบไหลไปคิดนู่นคิดนี่แต่พอรู้ตัวก็กลับมาอยู่กับโบทสวดมนต์ได้ปกติ แต่อีกสักแป๊กก็ไหลไปคลิปแต่ดีที่ดูทันครับฝึกแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าครับก็เป็นเรื่ปกติของผู้เริ่มต้นเน่ยก็จะเผลอแล้วก็จะได้สติ ก, ก, ก็กลับมาถ้าฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเผลอน้อยมันก็จะอยู่กับงานที่เราให้มันทําอยู่อย่างต่อเนื่องต่อก็จะไม่เผลอเลยต่อไปมันก็จะอยู่กับงานที่เราให้มันอยู่เพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณพิทิวัตรขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องของสติปัฏฐานสี่ในข้อพิจารณาจิตกับพิจรารณาธรรมด้วยครับก็ก่อนที่จะไปพิจารณาจิตได้มันต้องผ่านเวทนาผ่านร่างกายก่อนถ้ายังไม่ผ่านร่างกายไม่ผ่านเวทนามารู้ตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับยังไม่ได้ผ่านป ร, ริญญาโทแล้วจะไปเรียนป ร, ริญญาเอก มันก็เสียเวลาพูดไปเปล่าๆเาน้นตอนนี้มาฝึกให้มันผ่านร่างกายกับเวทนาให้ได้ก่อนปล่อยวางร่างกายปล่อยเวทนาให้ได้ก่อนไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปพิจารณาจิตพิจารณาธรรมอีกทีหนึ่งอนนี้ทำถามหมดท่านหลวงพ่อหมดก็ดี แถวนี้มีใครอยากจะถามไหมไม่มีเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาคือการพิจารณาสติปัฏฐานสีนี่มันก็เป็นเหมือนกับาการเรียนหนังสือระดับต่างๆก็ต้องไปผ่านระดับที่ง่ายกว่าการพิจารณาร่างกายมันง่ายกว่าเพราะมันเห็นชัด รู้อยู่เห็นอยู่ว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องตายออความเจ็บก็เห็นอยู่ว่าร่างกายเกิดมาแล้วก็เจ็บแต่เวลาโู้นนั่งอะทําไมถึงเป็นแต่ความว่างปล่าแล้วแตเป็นมีสีแดงขึ้นมาตลอดกัน เ, ออเวลานั่งสมาธิมันก็ต้องว่างสิเพราะเราไม่ต้องการให้มันคิดแ ต, แต่พอว่างไปจับจับขาวเป็นเนผาอากาศไม่มีอะไรมันจะมีแดงขึ้นมาแดงก็อย่าไปสนใจแสดงว่าจิตเรายังไม่สงบเต็มที่ เราต้องการให้มันว่างแบบไม่มีสีไ ม, มสไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีเราก็พุโทโธต่อไปอย่าอย่านั่งเฉยๆมีนก็นั่งดูลมหายใจแมันก็ว่างไปไม่น่ามีสีถ้ามันว่างก็ดูถ้ามีสีกำลังก็ดูกลับมาดูลมต่อเอย่าไปดูสีแสดงว่าจิตเราเริ่มเริ่มคิดล้สีต่างๆนี่ก็เกิดจากจิตเราสร้างมันขึ้นมาเองถ้าเราอยู่กับลมไปเดี๋ยวสีต่างๆก็จะหายไปถีาน ถามมึงแบบมถามเราเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรไอ้มันมันสั้นไปแล้วเขาบอกว่าไอ้สติเราอะสั้นไปแล้วอั้ยสั้นี้ยก็ไม่ได้อยู่กับลงไงมไลสติเราหายไปล้ก็ต้องกลับมาดึงสติกลับมาด้วยการมาดูลมต่ อ, อพอดูลมเราก็จะมีสติรู้ก็เพลินกป็นสีแดงก็ไม่สวยจังอ่าอ่านะมันก็ไปไม่ถึงไหน มันก็ติดอยู่ตรงนี้นั่งทีไรก็จะเจอสีแต่อว่างเปล่าเขาวไม่มีอะไรแล้วแดงก็เข้ามาทันทีก็กลับมาดูลงต่อมาดูลมแล้วกมาทุกทุ่มใหม่จนกว่ามันจะไม่มีอะไระมันนิ่งสงบ<ม>เย็นสบายมีความสุขมาแล้วยังอคำถามจากทางยูทูบจากคุณภูลสุเวลาที่เราอยู่วัดเข้ากรรมฐานหลายวันนอกจากเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้ว เรจะฟังเทศทำสลับไปได้ไหมคะได้มันก็เป็นการเจริญปัญญาแต่เป็นการเจริญปัญญาของผู้อื่นตอนต้นเราไม่มีปัญญาในตัวเราเราก็เลยต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของท่านก็จะได้ปัญญาความรู้ต่างๆแล้วต่อไปเราก็ต้องหัดเจริญปัญญาด้วยตัวเราเองหัดคิดขึ้นมาเอง แห้คิดถึงพิจารณาร่างกายดูร่างกายดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายเกิดมาแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันไม่มันไม่หยุดการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันช้าเลยดูเหมือนกับ ว, ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราถ่ายรูปไว้ทุกเดือนแล้วมาเปรียบเทียบกันดูเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเด็กเวลาคลอดเราใหม่ถ่ายรูปไว้ เ, เดือนหนึ่งมาถ่ายมาดูอีกทีนึงมาเปรียบเทียบกันเราจะไริเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเด็กค่อยจเจริญเติบโตขึ้นไปเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนต่อไปก็ปีหนึ่งสองปีเราเนี่ยถ้าเราไปย้อนไปดูภาพตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเรากับเรากับร่างกายตอนที่เป็นเด็กมันเหมือนเป็นคนละคนละมันไม่ได้เป็นคนเดียวกันนี่คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย แล้วก็ห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้นี่คือเรียกว่าอนัตตาห้ามไม่ได้สั่งมันไม่ได้อานิจจ่าก็คือมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเหมือนเดิมเราก็จะทุกข์เช่นตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมไปทุกวันไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันหนังเหี่ยวหนังย่นไม่อยากให้ผมขาวเนี่ยเราก็ทุกข์กันละ แต่ถ้าเราเห็นความจริงว่ามันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามเวลาของมันแล้วเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนยอมรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายยอมรับการเป็นอนัตตาของร่างกายว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่คือการใช้ปัญญาของเราเองตอนต้นการใส่ปัญญาของครูบาอาจารย์ สอนเราให้รู้จักวิธีคิดก่อนคิดแบบนี้แล้วเราก็ต้องมาคิดบ่อยๆไม่ใช่คิดหนเดียวเราบอกเอ้ยเข้าใจแล้วนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เข้าใจก็เข้าใจอยู่แต่ลืมได้พอไม่พิจารณารับลืมไปแล้วอยากจะให้หนุ่มอยากจะให้เป็นสาวต่อไปนะต้องมีปัญญาคอยคุมกับความอยากนี้ไว้ทุกครั้งที่เกิดความอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวก็บอกให้เป็นไปไม่ได้เป็นได้หนเดียวเป็นหนุ่มเป็นสาวได้หนเดียว พอพอเป็นปุ๊บแล้วมันก็เริ่มแก่และ่ไมมันก็แก่ไปเรื่อยๆต้องคอยคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมปัญญาไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกปัญญาทางโลกจไปท่องจำได้ไปสอบผ่านเสร็จผ่านเสร็จแล้วก็ลืมทิ้งมันได้เลยแต่ปัญญาทางธรรมนี่ทิ้งไม่ได้ต้องอยู่คู่กับใจตลอดเวลา เพื่อคอยสกัดความหลงที่จะหลอกให้เราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่จะทำให้เราทุกข์กันมากแต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายด้วยปัญญาได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราจะรู้สึกเฉยเฉยคำถามจากผู้ฝักถามที่ราฟังทำในศาลานะคะข้อที่ห ถ้าเราจําเป็นต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานหลายคนแต่เพื่อนร่วมงานพูดจาส่อเสียดพูดจาแข่เพื่อให้ตัวเองดูดีต่อหน้าหลายหลายคนแต่เราจําเป็นต้องร่วมงานกับเขาเราจะมีวิธีทาใจอย่างไรจรึงจะไม่สนใจคาพูดของเขาครับก็มองเขาเป็นเหมือนนกไนกแก้วนกอะไรมันอยากจะร้องมันก็ร้องเราจะสั่งให้มันหยุดก็สั่งมันไม่ได้ก็ปล่อยมันร้องไป เราอย่าไปสนใจกันแล้วกันใช่หไหมเนี่ยนกมันร้องอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นไปเดือดร้อนกับมันเลยก็ปล่อยมันล้องไปปากนกปากกาคิดอย่างนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือทำใจเราให้เฉยให้ได้แล้วเราจะไม่เดือดร้อน้อที่สองเรารู้สึกฟุ้งซ่านแต่พยายามรู้ลมหายใจทําอย่างไรจรึงจะละความอยาก ละความคิดวางจิตเป็นอุเบกขาครับก็ต้องมาฝึกสติอยู่บ่อยๆมามาทำตอนที่นั่งอย่างเดียวไม่ทันไม่พอกาลังไม่พอต้องทำตั้งแต่ตื่นเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปภายในใจอาบน้ำแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปเดินทางไปทำงานก็พุทโธไปจะหยุดก็ต่อเมื่อต้องใช้ความคิดกับการทางานเท่านั้นเอง รับรองได้ว่าถ้าเรามีพุโทโธอย่างนี้เวลาอารมณ์ไม่ดีก็พุโทโธพุธโทโธไปแป๊บเดียวอารมณ์ไม่ดีก็จะหายวับไปเลยคำถามจากทางเฟ e บุ๊กไลน์จากคุณฮอลลี่จะฝึกปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ล้นล้าอุปนิสัยที่มากจะทำตนเป็นผู้กำกับเมื่อเผชิญกับผาดสะหรือพบเจอประเหตุการต่างๆเจ้าคะ จะทำอย่างไรเพื่อเพิ่มอปุปนิสัยการเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้ดูให้มากขึ้นเจ้าคะก็การฝึกสตินี่แหละฝึกสติพุทโธพุทโธไปถ้ามีสติแล้วมันก็จะรู้เฉยๆพอมันจะไปเจ้าขี้เจ้าการก็ใช้พุทโธหยุดมันได้พอจะไปเข้าไปยุ่งกับใครก็พุทโธดีกว่าพุทโธพุทโธมันก็จะหยุดมันก็จะดูเหตุการณ์ต่างๆได้คำถามจากคุณนัทวัตร ผมเคยทำบาปฆ่าสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็กเมื่อ20ปีก่อนมามากเพราะความไม่รู้คิดว่าเป็นอาหารมนุษย์แต่ตอนนี้กระผมได้เดินเส้นทางธรรมและศึกษาย้อนไปก็รู้สึกผิดมากเราสามารถที่จะปฏิบัติหรือเดินเส้นทางนิพพานได้อยู่ไหมครับได้ยังตอบได้ที่ยังมีลมหายใจอยู่ี่ได้ยังสามารถปฏิบัติไปถึงนิพพานได้ดูองคุลิมานเป็นตัวอย่าง มูลคุมารค่าคนเป็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนยังไปนิพพานได้เลขอให้เราหยุดเดินทางที่ผิดแล้วกลับมาเดินในทางที่ถูกเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางเองคําถามจากคุณนะคะตอนสวดมนต์อยู่ที่บ้านเราต้องนุ่งขาวห่วมขาวหรือเปล่าคะก็แล้วแต่เราอยากจะนุ่งก็นุ่งได้ไม่อยากจะนุ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอยู่ในบ้านของเราเองแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ที่เขาหนุ่งขาวห่มขา ว, ว, ขาวเราก็ต้องนุ่งกับเขา ถ้าเขานุ่งเหลืองห่มเหลืองเราก็ต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองกับเขาถ้าไปใส่กางเกงเขาก็จะเต ะ, เตะล้วออกอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแต่สถานที่ที่เราไปอยู่คำ ถ, ถามจากคุณนคำพลการมองทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติทั้งที่เป็นนามธรรมาหรือรูปธรร ม, มเป็นการตรงจิตให้หลอกตัวเองหรือเปล่าครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับ หากปฏิบัติด้วยการมองทุกสรรพสิ่งเป็นสิ่งสมมูลคือสมมุติมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่เป็นของจริงถ้าเราเห็นสมมูิก็แสดงว่าเรากำลังหลอกตัวเองถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นสมมุติเห็นว่ามันเป็นดินน้ำนมไฟเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เราไม่ได้หลอกตัวเราเองเรากำลังให้ความจริงกับเราให้เราเห็นความจริงกัน ตอนนี้เรากําลังหลอกกันเรากำลังถูกหลอกมองเห็นว่าร่างกายของนี้เป็นของเราร่างกายนั้นเป็นของพ่อของแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาอันนี้แหะเป็นของหลอกทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงสมมุติทั้งนั้นของจริงมันเป็นเพียงแค่ผมขนเลฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32อ่เป็นดินน้ํานมไฟเวลาตายไปมันก็กลายเป็นดินน้ํานมไฟไป เราต้องมามองความจริงกันเราจะได้ไม่ทุกข์เราที่เราทุกข์กันเพราะเราไปมองว่าเป็นของเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราพอมันจากเราไปเราก็เลยทุกข์กันแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นเห็นว่ามันเป็นดินน้าลมไฟเราจะทุกข์กับมันนะดินก็เห็นอยู่ทุกวันเห็นทุกข์กับมันนะไฟก็เห็นอยู่ทุกวันลมก็เห็นอยู่ทุกวันถ้าเห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟมันก็จะไม่ทุกข์กับมัน คำถามจากคุณนุการจริงหรือไม่คะถ้าพ่อแม่ทําบาปบาปกรรมนั้นอาจลงที่ลูก อ, อ๋อไม่จริงหรอกกรรมใครกรรมมันเรามีกรรมเป็นของของตอกรรมคนอื่นไม่เกี่ยวกับเราคนอื่นเขาทากรรมันไดเขาก็ต้องรับกรรมของเขาไปคํถาถามจากปุถีพูดโทรไปเรื่อยๆแล้วลงพี่ปลายจมูกหายไปครับ ท่านตอนนี้จะทำอย่างไรดีครับก็อยู่กับความว่างไปอยู่กับตัวรู้ไปตัวที่รู้ลมให้อยู่กับตัวรู้ไปให้รู้เฉยเฉยไปไม่ต้องขวายคว้าหาลมให้รู้เฉยเฉยรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วรู้อยู่กับความว่างไปคำถามจากคุณปราดพงศ์ขาดเดินวิ่งออกกำลังกายแล้วนึกบทสวดมนต์ที่ท่องได้ในใจหรือออกเสียง แต่ไม่ให้ผู้อื่นได้ยินเสียงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถือว่าเป็นการภาวนาหรือเป็นผลดีไหมครับและหลังจากออกกําลังกายแล้วสักพักถึงพักถึงที่พักนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าสงบดีถ้าเป็นผลดีกระผมจะได้ปฏิบัติแบบนี้ต่อไปครับก็เป็นผลดีเพราะเป็นการเจริญสติกการสวดมนต์การบริกรรมพุทโธ ทำให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจเราก็ตั้งมั่นใจเราก็ไม่ฟุ้งใจเราก็เย็นใจเราก็สบายเวลามานั่งสมาธิมันก็สงบง่ายควรทำถ้าได้ทั้งสองอย่างยิงนกทีเดียวได้ยิงกระสุนลูกเดียวได้นกสองตัวได้ทั้งสติได้ทั้งสุขภาพร่างกายได้ออกกำลังกาย ใจก็ได้ได้สติเป็นการออกกำลังกายและกำลังใจดีกว่าที่ออกกำลังกายแล้วก็มาวิตกกังวลกับปัญหาต่างๆอันนี้ไม่ดีควรจะสวดมนต์ไปจะดีกว่าหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปจะดีกว่าเพราะจะทำให้เกิดสติเกิดความเบาสบายใจเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายคำถามจาทํางยูทู e จากคุณปัญญาเวลาสวดบน รู้สึกเหมือนเห็นตัวเราส่วนมนุษอยู่โดยที่เราเป็นคนเห็นตัวเราเองหรือบางบางครั้งตอนนอนหลับเหมือนรู้สึกว่าตัวเรานอนหลับอยู่ขอรับแต่เรารู้สึกตัวขอรับมันหมายถึงอาการอะไระครับก็หมายถึงว่าเรามีสติไงถ้าไม่มีสติก็เหมือนคนเมาไม่รู้ตัวเองทำอะไรถ้ามีสติก็จะรู้ว่าเรากำลังทาอะไรอยู <c oughs> ค่คาถามจากคุณลาวัน เราจะต้องมีสติคู่อุเบกขาตลอดเวลาไหมคะคือสติอุเบกขามันเป็นผลที่เกิดจากการมีสติถ้าไม่มีสติอุเบกขาก็เกิดไม่ได้ดังการที่จะมีอุเบกขาก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธเช่นเราเห็นอะไรแล้วเรากลัวเงี้ยเราก็ให้พุทโธพุทโธไปพุทโธไปสักระยะหนึ่งอุเบกขากลับมาความกลัวก็จะหายไป เช่นเวลาไปนั่งในป่าชา้าไปนั่งที่น่ากลัวเราคิดว่ามีผีมาเกิดความกลัวเราก็สวดมวนต์ไปก็ได้บริกรรมพุทโธไปก็ได้อย่าส่งใจไปคิดถึงผีเดี๋ยวไม่นานพอใจอยู่กับพุทโธอยู่กับการสวดมวนต์ไปเหนียวใจก็หายกลัวคำถามจากคุณจรถ้ากระผมภาวนาแบบบริกรรมพุทโธ ร, รัวๆไปเรื่อยๆจนเริ่มรู้สึกว่านิ่งมาก แล้วลมหายใจเด่นแทกขึ้นมากระผมควรมาสนใจลมหายใจหรือบริกรรมต่อไปครับได้ทั้งสองอย่างจะพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะถ้าเหนื่อยอยากคาบริกรรมอยากจะดูลมเฉยๆต่อไปก็ดูไปก็ได้หมดแล้วเหรอมีใครอยากจะถามอีกไหมยังมีเวลาอีกหน่อยนะอย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมนะขอร้องนะ พอพอปิดประชุมว่ามาเลยอายเลอมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันทุกคนแหละคนอื่นฟังจะได้รับประโยชน์ด้วยเรายิงนกทีเดียวเราจะได้หลายๆตัวใช้กระสุนนัดเดียวถ้ามาถามนาะสองต่อสองนี่มันยิงได้ตัวเดียวไม่อยากจะยิงเสียดายกระสุนเสียดายน้ําลายอยากจะยิงตอนนี้ใครถามตอนนี้คนฟังีต้องห้าหร้อคนเนี่ย ก็จะได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันเลยถึงแม้ว่าจะไม่เป็นปัญหาของเขาในวันนี้แต่ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ก็ได้พอรู้จากวิธีแก้ปัญหาแล้วพอขราวหน้าไปเจอก็เราก็จะแก้ได้เลยดังั้นขอความกรุณาถ้าอยากจะถามขอถามตอนนี้กพูดใกล้ๆหน่อยพูดใกล้ๆปากเวลาเร อย่างอย่างเช่นเวลาเราหาวแล้วก็จะจะเห็นว่ามันตัวอะไรมันหาวสมมติตัวตัวตัวหลอนี้นหาวแล้วก็จะเทียบว่ามันเอ่อแล้วก็จะเทียบว่าเออมันมันหายมันมันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วมันเกิดแล้วมันก็หมดไปแล้วเนี้ยค่ะเอ่อ แล้วก็จะเทืยบแันว่าเป็นอันนี้ยมันเป็นอ น, นิจจังคืออ น, นิจจังบางอย่างมันไม่มีผลอะไรมากก็ไม่ต้องไปสนใจ<ะ>เอาไอา้ไอ้ผลที่มันกระทบ ก, กับใจเราเอเช่นผมหงอกเนี่มันอนิจจังดูเชื่อมันทําให้ใจเราสะเทือนนะป่ะเวลาเห็นผมหงอกเวลาเห็นหนังเหี่ยวหรือนนอะไรที่ทําให้เราสะเทือนใจเนเราควรจะพิจารณาอนั้นอันที่ไม่ไม่สะเทือนใจไม่ต้องไปพิจารณาให้มันเสียเวลา อย่างเวลาเรารับทุกเนี้ยแล้วพอเราเราย้อนเข้าไปดูเหตุทุกมันก็จะจางคายไปอย่างนี้ก็โอเคนะได้โอเคถ้ามันดับทุกได้ก็โอเคถ้ามีคติประลึกเห็มันมันถึงจะดับแตเคื่อไก็ไม่ไม่เห็นมันก็เผลอถูกกิเลส้รอังำอยถ้ามันไปยึดไปติดมันก็จะทุกถ้าปล่อยวางได้มันก็จะไม่ทุกก็จะพยายา มองว่ามันมองว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างนี้แหละจะให้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันเป็นอย่างอื่นใช่ท่านั้นเองนะใครเคยเคยอยากแล้วมาทุกมากเลยเพื่อเพ่อพล้ย้อนเขไปดูเอ้ยกำลังอยากอยากลังมีกิเลสมันก็ดับเลยดับก็หายทุกข์เลยหายเลยถูกต้องด้ยังี้ก็ถูกต้องมีอีกไหมอ่อเอาอีกหน่อย สักสองสามคำถามคำถามจากคุณพาวินีบทสวดมนต์ที่เหมาะกับคารวาสคือ บ, บทอะไรบ้างคะก็ทุกบทเนี่ยบทเหมาะทั้งนั่นแหะแล้วแต่เราจะชอบบทไหนก็สวดได้ถ้าเราไม่รู้ก็จะสวดตามสูตรที่เขาวางไว้ก็ได้มีหนังสือทําวัดเชา้าทําวัดค่ำเราก็สวดไปตามสูตรที่เขา เมนูที่เขาจัดเรามาให้เราบวชทำวัดเช้าก็มีเมนูอันนึงทําวัดเย็นเหมือนะอาหารเช้าไข่ดาวหมูแฮมอาหารเย็นก็ไส่กรอกหรือสเต็กอะไรก็ว่าไปก็สวดได้ถ้าเราไม่ชอบเมนูเราจะเอาอาหารตามสั่งก็ได้เราชอบบทไหนก็เอาบทนั้นเลยก็ไ ด, ช iso, ได้ชอบอิติปีโซก็สวดอิตาลีโซไปชอบพุทธทางสวรรค์กระฉามนก็สวดไปร้อยจบพันจบก็ได้ ไม่เป็นปัญหามันทําหน้าที่เหมือนกันคือทําให้ใจเรามีสติทําให้ใจเราไม่คิดทําให้ใจเราสงบเย็นสบายาบคำถามจากกุนไทยแลนเวลาสวดมนต์ไปหลัก เ, เ, เวลาสวดมนต์ไปเวลาหายใจเข้าขน ล, ลุกหายใจออกปกติเข้าอีกขน ล, ลุกอีก หายใจออกปกติอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆแปบลบว่าเป็นอะไรครับออไม่ต้องไปสนใจมันมันก็เป็นที่อย่างที่มันเป็นให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปสนใจให้ใจเรามีสติอยู่กับลมไปก็แล้วกันผลผลที่เกิดขึ้นข้างเคียงจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดพ่อแม่ไม่สะดวกไปทำบุญเราทำบุญให้พ่อแม่แทนได้ไหมคะ ได้ได้พ่อแม่ฝากเงินเราไปฝากของให้เราไปเราไปทำได้ทำแทนพ่อแม่ได้ว่นแล้วไหมหลายเ่งยแค่นี้ก่อนแล้วกันก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได er> ้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพ um ิจารณาไปปฏิบัติ